พระธรรมเทศนาแผ่นที่101ดลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่19กันยายน2559มีชื่อเรื่องว่ามีโอกาสเข้าอู่ทุกคนวันนี้นะว่าเป็นวันมงคลมหมามงคลยิ่ง เห็นแผ่นกระดานเมื True, ่อกี <t ip le partnership> ้นี่รู้สึกว่าอุ่นอกหุนใจเป็นอย่างมากไม่คาดคิดเลยว่าจะได้เงินทั้งสมล้านวันนี้เอามาให้หลวงพ่ออ่านหน่อยสิบริษัทโรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดมจำกัดบริษัทโรงแรมบ้านเชียงจำกัดโดยท่านปีชาสันนราชัยรัฐ พร้อมครอบครัวบริจาค3มล้านบาท3ล้านบาทท้วนถึงยังไงก็ตามนะเป็นผู้มีจิตศรัทธาขนาดนี้หลวงพ่อาหาได้ยากในภาคอีสานของพวกเราเนี่น ะ, ะที่ได้บริจาคถึง3ล้านถึงขนาดนี้และก็อำเภอในจังหวัดอุดอรของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงภาคอีสานของเราเกี่ยวกับ สร้างโรงพยาบาลโรงเรียนอะไรก็ตามรู้สึกว่าขาดตกบกพ้องอยู่อย่างมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราทาไม่ช่วยกันพวกคณะคหาบดีทั้งหลายไม่ช่วยกันหลวงพ่อคิดว่าก็ไปได้ยากเหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อเห็นท่านคหาบดีทั้งหลายได้บริจาคออกมาอย่างนี้หลวงพ่อก็ อุ่นออกขุ่นใจกับชุมชนสังคมในจังหวัดอุดรของพวกเราในวันนี้ก็ท่านผออำเภอเพนก็โรงพยาบาลอำเภอเพนของเราก็ได้จัดเป็นภาพป่าสามคัคคีเนื่องจากโรงพยาบาลอำเภอเพนได้มีกําหนดจัดกิจกรรมทอดผ้ า, พพา ป, ป่ามหาคุสนประจำปีพุทธศักราช2559เพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ พยาบาลแก่ผู้ป่วยอนาถาผู้ป่วยยากไร้ที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลทรงสร้างอาคารภายในพระนามสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกุลมหาสังฆปรินายกณอำเภอเพนณรงโรงพยาบาลเพนอำเภอเพนจังหวัดอุดอรธานีในวันนี้ ก็พวกเราท่านทั้งหลายส่วนหนึ่งที่มาร่วมทอดผ้าป่าก็เพื่อหาทุนสมทบทุนเพื่ อ, อคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่ยากไร้บางคนก็ยากไร้จริงๆนะโดยมากก็พอมาเจ็บถึงจะยากไร้จึงจะมั่งมีสีสุขความความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้เลือกใคร เพราะนั้นผู้ที่ยากผู้ที่ยากไร้ามาเจ็บป่วยก็เป็นภาระของโรงพยาบาลไม่ใช่น้อยเหมือนกันอย่างองค์หลวงตามหาบัวแต่ก่อนท่านก็ไปสงเคราะห์โรงพยาบาลต่างๆพอไปถึงท่านก็เทพวกข้าวสารอาหารแห้งพวกน้ำปลูน้ำปลาน้ำมันพืชให้กับโรงพยาบาลไปแต่ละครั้งแต่ละโรงพยาบาลท่านเอาไปขนไปให้แต่มีโรงพยาบาลหนึ่ง ท่านก็บอกโอ้ยหลวงตาครับโรงพยาบาลของผมเป็นหนี้อยู่ห0 0 0ือ่าเดี๋ยวนี้ทําไมหลวงตาทําทไมถึงเป็นหนี้เป็นศีลโรงพยาบาลไม่น่าจะเป็นหนี้นี่นะเพราะว่า เ, เวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนผู้เฒ่าผู้แก่รล้ว่าคนป่วยมานอนนอ น, นอนนอนโรงพยาบาลออพอมานอนโรงพยาบาลขนาดมาแล้วเขาก็มาส่งที่โรงพยาบาลรถเขาก็กลับไป แต่คนป่วยก็อยู่ที่นี่บางทีก็มีสามีบางทีก็มีลูกมาเฝ้ามาเฝ้าไข้ผลทีสุดคนที่คนที่ไข่เนี่ยเอเอโรงพยาบาลก็เลี้ยงอาหารคนไข้แต่คนที่มาเฝ้าไขา่บางทีก็คนสองคนเขาจะเดินทางกลับไปเอาอาหารที่บ้านเขาก็เดินไม่ได้ไม่มีรถจั ก, กรยานไม่มีมอเตอร์ไซค์อีกต่างหากผลี่สุดเขาคงหิวข้าวเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงโรงพยาบาลก็ต้อ ง, องทาอาหารเลี้ยงเขา ออพอตอนเช้าก็เลี้ยงข้าวต้มพอตอนเที่ยงมาก็เลี้ยงอาหารเที่ยงและก็ตอนเย็นก็ทํำยังไงก็ต้องเลี้ยงอาหารอีกบางทีกับเลี้ยงวัละมื้อบางสองมือง้อว่าอาหารหนักกระเทงทําให้โรงพยาบาลเป็นหนี้ศินเพราะได้ซื้ออาหารมาเลี้ยงพวกนี้พวกที่มาเฝ้าคนคนเข้าคนเฝ้าคนป่วยลวงพ่อลวงตามหาบัวได้ยินทั้งโอโ้เราก็ไม่คาดมันเราก็ไม่คิดเหมือนกันในจุดนี้ ตั้งแต่นั้นต่อมาท่านไปโรงพยาบาลใดท่านก็ให้โรงพยาบาลละสองหมื่นทุกโรงพยาบาลนี่แหละคือความเป็นมาสรุปแล้วคือโรงพยาบาลเพนของเราก็คงจะไม่แพ้ลักษณะนั้นเหมือนกันเพราะนั้นวันนี้พวกเราจะได้มาร่วมมารวมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนให้คนยากไร้สมคบทุนเจ้าพะกุลสมเด็จพญานาสงวร อ, อย่างคอศกได้อ่านเมื่อกี้นี้ ท่านบอกว่ามีทั้งหลายหลายจังหวัดหลายโรงพยาบาลเหมือนกันเจ้าพรกคุณสมเด็จแต่หลวงพ่อทราบก่อนก่อนหน้านี้ว่าเจ้าพกคุณสมเด็จได้มอบให้อำเภอเป็นปีละ 10,000 แสนนึกครัหลวงพ่อจําไม่ผิดนะท่านเขามอบให้เป็นประจําสําหรับดูแลคนยากไร้แต่เมื่อเจ้าพรกคุณสมเด็จชินพระชนไปแล้วเนี่ย ท่านก็จะทํำยังไงได้สมเด็จพระสมเด็จพระวรรณรัตเจ้าอาวาสเจ้าคณะใจของพวกเราที่วัดบวรท่านก็คงจะมอบให้ท่านเจ้าคุณเทพมงคล น, นายกของพวกเรานี่กำมังเจ้าคุณเป็นประธานต่อไปเป็นผู้หาทุนแทนจบพระคุณสมเดจพระสังกราชไม่ใช่หลวงพ่ออินเนะี่ยเจ้าคุณเทพมงคล น, นายกนี่แหละที่ ท่านจะเป็นประธานาหาทุนแต่หลวงพ่อนีอ่ถึงยังไงหลวงพ่อก็ไม่จะไม่ปล่อยป่าละทิ้งนะหลวงพ่อจะเป็นกองสนับส น, นุนแต่วันนี้ก็เถอะนะหลวงพ่อก็เตรียมกองสนับสนุนมาเหมือนกันหลวงพ่อจะสมทบผ้าป่าในวันนี้นะหลวงพ่อเตรียมมาแต่ไม่ใช่เงินปัจจัยของหลวงพ่อนะเป็นปัจจัยของวัดเป็นปัจจัยของคณะสัตธาญาติโยมถวายหลวงพ่อจ้เจียรม า, าที่ พอที่จะเจียตมาได้เพื่อมาช่วยสมทบร่วมสมทบผ้าป่าในวันนี้เป็นเงินหนึ่งแสนห้ามืนบาทนะคณะนะสัทธาญาติโยมนะ เ, เทียนหลวงพ่อได้ เ, เดจียติจตุปัจจัยมาร่วมอันนี้ก็เ่ท่านขอโอกาสศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ิรันรดีศรีและครอบครัวมอบสร้างอาคารแพทย์ ทางเลือกสามล้านห้าแสนบาทแก่โรงพยาบาลเพนผ่านวัด่ารวมธรรม อ, อ, อันนี้ก็อนุโมทนาศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ฮิรันเป็นอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะท่านได้มาสร้างอาคารเรียนให้กับตำบล โรงเรียนตำบลสมเศร้าของเราหนิโรงหนึ่งนะหมดไปสี่เกือบห้าล้านบาทนะ เ, เดี๋ยวนี้ก็โรงเรียนก็สอนกัน ล, ละล่ะแต่นี้กําลังท่านกํำมาสร้างอาคารให้กับโรงให้กับวัดวัดป่ารวมทําอีกหลังหนึ่งนะงบประมาณ8ล้านกว่านะเดี๋ยวนี้กําลังสร้างอยู่เนี่ยเป็นผู้ท่านเป็นผู้มีจิตศรัทธาคนหนึ่งนะที่รู้จักมักคุ้นมานานอันนี้ก็ขอขอบคุณและขออนุมโมทนา กับครอบครัวขั้นท่านด็อเตอร์ฮิรัน ร, รีศรีขอให้มีความสุขความเจริญ น, น ะ, ะแล้วก็พร้อมกันก็เนี่แหละหลวงพ่อเองเห็นคณะสัตยาติโยมได้มาร่วมมารวมกั น, นมีน้ำจิตน้ำใจอย่างนี้มีท่านเจ้าพวกคุณสมเด็จ เ, เทพมงคลมงคลนนายกท่านได้ตำแหน่งใหม่หลวงพ่อก็ไม่ถนัดเท่าไหร่ที่จะเรียกไม่รู้เรียกผิดเรียกถูกขอข อ, อาภัยครับผม เจ้าคุณตะกรอนเจ้าคุณราชวราวรารังการอันน้จำได้ง่ายเออแต่นี้ท่านได้ตำแหน่งใหม่นะเพิ่งเมื่อได้เมื่อวันแม่ที่ผ่านมาเนียคะักศา ญ, ญาติโยมเนอพวกเราขอยินดีอนุโมทนาสาธุการที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อถือว่าเป็นเจ้านายของหลวงพ่อนะ หลวงพ่อถือว่าเป็นเจ้านายพวกเราก็ถือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้านายใช่ไหมหลวงพ่อก็ถือเออจ้าคุณ เ, เทพมงคลนา ย, ยกของเราเนี่ยเป็นเจ้านายของหลวงพ่อนะต่อเ น, นี้ไปก็ขงคงจะไม่มีอะไรออขอขอให้พวกเราทุกทุกท่านการเสียสละบุญ ก, การเสียสละทุนทรัพย์ในคราวนี้ก็เพื่อ ให้กับโรงพยาบาลไม่เลยเลือกชั้นวันนะไม่ว่าพระสองฆ์องค์ข้าเจา้าไม่ว่าท่านผู้ใดที่ขาดเหลือขาดตกที่เขามาโรงพยาบาลโรงพยาบาลของเราออำเภอเพ็ญเพออโรงพยาบาลอำเภอเพ็ญกับคณะแพทย์คณะพยาบาลก็จะได้นําเงินจะตุะปัจจำนวนก่อนนี้ล ะ, ะเพื่อจะได้ดูแลพวกพี่น้องประชาชนที่เขามา รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็เหมือนกับอู่ซ่อมรถนะนะักนัศรัทธา ญ, ญาติโยมรถคันไหนที่วิ่งอยู่ในถนนนะมีโอกาสที่จะเข้าอู่ซ่อมทกคันนี่ก็เหมือนกันพวกเราทุกคนอยู่ในถิเขตแขนถิ่นนี้นะเวน้นเสียจะตายแบบปุปปับแนตะนะ่ถ้าหาว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องเข้ามาโรงพยาบาล แล้วกัแพทย์พยาบาลหมอก็จะได้ด้วยช่วยกันดูแลรักษาถ้าหากว่าพยโรงพยาบาลของเรามีศักยภาพมีเครื่องไม้เครื่องมือดีพวกเราก็อุ่นใจไม่ใช่เหรอถ้าหากว่าเครื่องไม้เครื่องมือไม่ดีพวกหมอพยาบาลก็ไม่รู้จะรักษาอย่างไรแต่เมื่อเครื่องไม้เครื่องมือดีก็จะได้รักษาพวกเราพวกเราก็อุ่นอกอุ่นใจกับแพทย์กับหมอที่รักษาแต่ถึงยังไงก็ตามนะ หลวงพ่อในฐานะเป็นหลวงปู่หลวงตาก็ฝากฝังไว้กับท่านผ อ, อ, อบักฝากไว้กับคณะแพทย์กับคณะพยาบาลทุกๆคนนะเนาะเวลาเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็ให้ยิ้มแย้มแจ่มใสถ้าเห็นหมอเห็นพยาบาลยิ้มแย้มแจ่มใสนะคนเจ็บคนป่วยก็หายไปครึ่งหนึ่งแล้วนะแต่ถ้าหากว่าหมอพยาบาลหน้าบูดหน้าเวี้ยวคืองตึงตึงนั่งเลยนะคนป่วยก็ยิ่งซดลงไปเรื่อยๆเ อ, อเรพราะเหตุอะไรเพราะว่า ใจไม่ดีใช่ไหมกำลังใจนี่สำคัญนะวันนั้นหลวงพ่ออยู่ในป่ารวงพงไพเป็นหลวงปู่หลวงตาขาอฝากฝังลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมไว้กับขออ้อนอ่ากับคณะศรัทธาญาติกับกับนายแพทย์กับพยาบาลทุกทุกคนด้วยเนะ้อ